บางเทืกอกแต้มอยบางเทือกกันนัก้เบอลเป็นภาษาบัานเทาถือไปเนาะฟังแสบฟังนัวปั่นขเนย้อยจำเจ้ากระแดกหักบะพริกหน่วยใส่ย่ำ ม, มาวัาสเบข้อแสบขันเบาไทยปฏิวาลินแข็ง บอกไปบอกมาตกผงเล้าบัวประเดหัวขวนกันนะก็เรยว่าอยู่นี่ก็คือสิบอมีผู้ใดฟังล่าบ อ, อกที่จริงกันกับบอมันเล่าดอกก็คนคนไทยขึ้กันนั่นแหะเนาะไทยก็่าไทยอีสานั่นเขาจะบอกว่าไทยอีสานแต่ว่าบางผู้บางคนแต่ที่จริงแล้วก็อยากอนุรักษ์ ภาษาทองทินภาษาอีสานภาษาพอ่อภาษาแม่ให้เป็นมร ด, รดกตกทอดไว้สืกสลานพอปัจจุบันนี่สังเกตบางคนนั่นรู้สึกว่าสอนลูกเบอกภาษาไทยเดี๋วไทยกับแ็นไทยกับเทิท น, ทนบักล่าบักล่าโอ้ยไปจากว่ายยังไดนี่ยังไดคันศัพท์เล่ากับปากาอย่างคาว่าเป็นเล่าัน ญาตมันยังได๋เล่ากันเล่าเป็นอย่างว่าแต่ว่ามีความสามารศเนาะอัตมาก็ได้บอกว่าอยากเบอากับพ่อว่าแต่แความเป็นจริงของชีวิตเบอกภาษาไทยภาษาเล่าก็แล้วแต่พอส่วนเย็นนั่นเบอกขึ้นมากก็จะหูจักตนเองอยู่หรอกว่าเบอากับบอกใครมีสมบัติสมนวนเหมือนกับปักขูบายจาย์เพลิน ในการต่อพื้นปฏิบัติที่พื้นพิธีก่อนพื้นยกไขว่าให้เป็นรักษาสมบัติของหลวงพ่อเทียนอานพื้นกาจักมันพื้นรักษาพื้นรักษาเฮาเฮารักษาพื้นไปจักส่วนเย็นพื้นรักษาเฮามากกว่าพออย่างพอรูปแบบไปที่การนั่นรู้สึกพื้นว่างเอาไวเนียวไวเพียงแต่เฮาปฏิบัติตามมันก็เลยได้ง่ายกับบ่เดือดร้อนการถูกต้องตามพระธรรมวินัย เกลยอยู่ไงง่ายสบายสบายเพราะเป็นจริงแล้วเรื่องของศาสนาเรื่องของพุทธศาสนานั้นโยไม่ดังวันใดก็ได้น้องคนหุ่นหัวแบบนี้น้อมีอยู่ตีนี้คนหุ่นหนวกกิดติดคอนพรน้อยก็ได้แอ้วคนใหญ่หนึ่งมีอยู่นั่นหละวันนันว่ะ กันซนกนยับไปนั่งอยู่ใกล้ๆตู้ยังมาอยู่ไกลมองยังไม่อยู่ไกลมองเราเนาะฝรั่งเด้กยับไปยู่ยใกล้ ๆ, ๆตู้เนี่ย่ยินฉาดพวกกันยั้งกันนับอยู่ห่างตู้ดบอกใครยินอันนี้หละที่พวกเขาพอแม่พินพวกพอพวกแม่พวกเยาวชนทั้งหลายมันเยาวหรือทเขาวัดเขวาวาเด่นี่มนบ่ เน่าเพราะแห้งแล้วจังขวัดเขาว่ากันเั็นเพราะเย่ า, ากับเพราะเข่าะวัางนั่ไปเบิ้งจักหนึง่งเบิ้งจักหนึ่งจังหนึ่งก็ได้เพราะว่ามือหนึ่งอยู่ขอนแก่นอยู่วัดล่ะมีครูเป็นโทรศัพท์เข้ามาถามมาคุยนําเราเลยนักเรียนนี่ล่ะว่าปัจจุบันนี้ห้องเรียนห้องหนึ่งมีอยู่ยี่สิบสี่คนทั้งนักเรียนหญิงเรียนชายแต่มีผู้ปอด อบายามุกพอสิ่งเสพติดมิวแชรหกคนอันนี้อาตมาก็บอยอยากเสือแต่ว่าครูคนนั้นก็ว่ายืนยันว่าเป็นม้าลักษณะนั้นจริงๆเป็นตะฮวงเงา ว, วะซ้นเฮาเพอาอย่างเพปัจจุบันนั้นรู้สึกว่าสิ่งต่างๆนั้นรู้สึกว่ามันมีความยั่วยวนชั่วใจเรียกความสนใจเรียกร้องความสนใจเป็นยุค จะเนี่หละยุโล ก, การพิวัตยุโลบ ก, กานุวัตอย่างเขาก็แล้วแต่เขาว่าล่ะยุค ข, ขออะไรขอบเชตการซื่อสารกันยังต่างๆไม่ยังไม่ยังกระหูจักกันเ ม, มิดดีกันเมื่อแต่ว่าตัวเฮานั่นเตรียมพ่อมหรือยังทีที่จะรับข้อมูลต่างๆที่กระปอนก็นมาให้เฮาสมัยน้อยสมัยเป็นเด็กในน้อยเนาะกันนี้เปรียบเทียบอันนี้กัเปรียบเทียบไปฟังวัฒนธเทศอันนีดเด้ เป็ดเทียบไปฟังจังหน่อยพ่อแม่เลี้ยงขาเขาโทษเขาไผ่เนาะเลี้ยงหมายังมาหลายตักินเขาอิ่มแล้วเปิ้ลกะเอาบักลา เ, าเขาไปให้หมาแน่มาดันว่าหมาประมาณสี่หาหกตันี่แหละก็เลยปั่นเขาแบงเผ่าปั่นเขาพั่นเขาเพื่อหาหกปัน่นอื่นมาแอะแอะแอะแอะมาดันว่าหมากลั่นมากพอๆกักกนแต่สมัยดะกอนเฮียนสูงเด้มันบลา อันนี้อันสูงนี่นสูงง้อยง้อยหนาพลอลอขึ้นมากก็เลยย้อนค้ามเข่าหายย้อนหายปุ๊บมันอาปากครับปั๊บย้อนหาตัวนั้นอาปากครับปั๊บเนื้ตัวนั้นเนี่ยอาปากครับปับป๊บปั๊บปั๊บเออมาขึ้นบึงใส่สมืออยู่บ้านเนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาปล่อยออกมาให้เราเห็นทั้งตาได้ยินทั้งหูได้ดมทั้งดังได้กินทั้งตา ับ่ง ค, คักๆเหลือมัน ค, คือคือกันกับช่วงที่ให้เข่ามาน้อยตัวนั้นเป็นยังเป็นยังก็เอาเม็ดสิ่งบอดีก็เอาเม็ดหูว่ายาบ้ายามงยาบ้าอยังต่างๆว่ามันบอดีก็พากันเป็นอาปากรับมัดเอคนเฮานี่มันกันเป็นจังด่าเป็นยังบบมือจักมูอจากรักษาเนื้อรักษาโตเียงบบมือจากแยกแยๆความดีหรือว่าสมัยยุคสมัยนี้บบมือจากความดีหรือว่าเห็นกลงจักเป็นดอกบัวไปแล้ว อันนี้มันกระนาชิดกั่เลยพวกข้าวพวงเงาวะส้นอย่าให้ภากันเ่ากันมากขึ้นไปกว่า น, นี่อันนี้ถือว่าดีแล้วเด้กโค้เธอทั้งหลายเด็กธรรมาได้มารวมปฏิบัติธรรมเป็นมูเป็นผัวเป็นกัละยะาณมิตรกับพ่อแม่แม่ยายเป็นแบบอย่างที่ดีที่จริงแล้วอาจารยม่านสมัยก่อนกับพ่อมแม่กับขวัดเขาว่าอยู่ ก, กันหาดังเถื่อนกับภาพไปวัดไปว่าเห็นวัดเห็นว่ากันรู้สึกก็มีความ เปล่มปิติในชีวิตเปลี่ยนความเป็นจริงแล้วบวคิดว่าสิบวัตเที่ยได้นไม่ไงพวกญาติพี่น้องว่ากบอายุเขบวชแล้วมึงมาบวชบ่กันว่าโอ้ยสิบวัตรเป็นอย่างบวชวารีไคหัวหล่นสิบวชตไปเห็นยั ง, รยรยงพราะว่าเห็นภาพภาพรักของวัดของศาสนาอยู่ในวัดนั่นรู้สึกว่าอาตมา ก, กาิเป็นคนสังเกตอยู่ด้วกันหาลังเทือกับจกักเมนยังต่วเมนยัง สมัย จ, จ, จ, จังนาหนี้แหละนาตีข่าวหน้าเกี่ยวเข่าเจียวตีเข่าเนี่ยสมัยตะกอนเนี่ยเป็นล้อมเขา่ามั้งเนาะเข่าเป็นล้อมนี่เป็นล้อมเพิ่นบันสิมักเราโทั่วไปในกลางล้อมเขา่าพระในวัดเพิ่นก็ไปตีเข่าซอยได้เนี่ยมาขึ้นตีซอยไปเด็กซอยยี่พออยู่บ้านนั่นแหะตีลงไปลงไปไปพ่อให้เราให้เหล่าทั่วทบ่บ้าน ตีไปตีไปตีน้ย ก, ก็อ๋อหนามยันมาซิมซิมไปซิมมากระิ ม, มันแสบกระซิมไปซิมมากระเอาแั่แล้ววะเ น, นี้ยบกใหญ่เลยบะเนี้ยไอเรื่องขึ้นยังใหญ่ยังใหญ่โอ้ยสรารพัดตื่นขึ้นมาเนี่ยขื่นมาเนี่มือแรงกรลาบโอ้ ย, ยมันขึ้นพอตีขอเขาแล้วกรลาบเป็ดลาบไก่ไห้กินกระกินใส่ตะพื้ตะเพื่อทั้งเหล่าเขาละจักมันยังตองมัยังมุนอาญะก็ะนแล้ปาดทบวชเขาไปแล้วเมื่อกี้เป็นยังสี่ตัวกูนีวะท่าน บวชที่แม่มาละวัฒนโลกเกิดจากนั้นคือว่าเกิดเพราะว่าบวชพ่อเขาบ้านเลยกัเป็นยุลักษณะนชิดมาโดนนี่มาโดนชีวิตมันว้ยนุ่มว้ยหลุ่นมันกิดเลยมีการสมัยนั้นสมัยเป็นคนเนาะสมัยเป็นคนยุคนั้นก็รู้สึกว่ามันก่าไวหลุ่นกาลังเปลี่ยนแปลงความชิดกำลังเปลี่ยนแปลงกันย่างใหญ่ดีอย่างใหญ่พอสมควรอกับครบูสู่เพื่อนกันไปนี่กันไป ขันบอสุขสนุกสนานกินเหล่าเม้ายาเกขกากระบะไม่มีภูมมีพวกไม่มีเพื่อนไม่มีฟูงเขาเบื่อเขามูกขาพวกพวกักบฟุงบ่ได้กินน้าเขากินไปกินมานั่นกับอะ น, นีมีความสํานึกอยู่วัยเอ๊ชีวิตของเขามันสิมีวิเชี่นีบ่คืดได้อแต่มาเป็นคนคืดชีวิตของเขามันสิมีวิเชียนีเลือดเฮ็ดในพ่อน้าหูน้ำตายเฮ็ดในพ่อห้แม่น้ำหัว น, น้ําตาตกโดนกับไหลเทอือคืดที่ตัวนี้พออ่อไอแม่กับข้องนั่น คืออย่าไปห้ามูกับพ่องนะเกิดเกิดเป็นว่าเกิดเป็นท่างสองแผงถึงมาจักสิไปท่างใดดีเอ็ดยังไดตัดชินเ จ, นเจนบอ ถ, ถือมีเบอ ถ, ถือเบื่อกับเบื่อเริ่มเบื่อขึงมาแล้วเริ่มเบื่อกินคักๆ ล, ละเบื่อเด้เบื่อไปถามมรสุมอยูอ่แถวบ้านบ้านใดกระทำฮาวนอเอาไงสั่นตัวใครอยางู่จักไหม กันบอกแล้วก ah, uh, so right. no right well ็ทีคือมาดูน่ะไปอจะว่าค่อยคอยจะว่าคอยอยู่บ้านใดนี้บ้านใดคอยมาดููยังเนี่ยกระจัดเจ้าแล้วกันเจียงร้องดูเบิ้งดูค่อยสมาดูดูยังมาที่เบิ้งยังกันนั่นแหละคือกันก็ได้เกิดขมเบื่อขึ้นมาว่าเออเห็นอยู่ทางทางหนึ่งขนาดเข้าล้องก็ล้องบวชล้องเบิ้งเป็นยังมาทันว่ากันเลยป่าหบกับพอกับแม่่ป้าอยากบวชไว้พอมาเป็นดอกอยบวชไว้มาทันว่าเพราแม่พระเราดีใจให้เว อบวชก็ บ, บวบกลาวาสันว่าที่จริง่มันลูกสายลาดอกเ็นในเอื้นบกลาพอวาเห็ุอยังทำอย่งางไงเพื่อนเดือดร้อนมาพอแห้งแล้วอ้าวบวชก็ บ, บวชตัวมึงบอลเลนข่าวอีรีวาสันว่าบ้าข่เวลเลนก็คือเลนไนเนาะวาสันว่า่วอีรีคืออีรีสี่บวชไทสี่บวชไทยบ่ว่าสันว่เพื่อนก็เลยจัดแจงบวชไทยนี้ให้ก็เลยบวชขมานี่เขมาพบวชขมาแล้วออนนะ็อย่บานอะย่บานยุบวัดบาน บวชพร้อมกันสามองค์ก็โมูเดียวรุ่นเดียวกันเค้อ ย, อยู่เค้กินคเคยหนีข้ากันก น, นี่น้ากันวัดนั้นผัดโบมีบเจ้าวาดมิถะพามัมยบวชนํากันบวชขามาแล้วก็มาทําวัดมาทําวัดน้ากันมันก็พระไม่เนาะนก็เสียงก็ะบอเข่ากันาลหาหังสา ม, มาสามพธสามองค์สามเสียง ผู้ขืนนั้นรู้สึกว่าการล่าก็นเลยว่าเอาคุณกัพยายามปรับเสียงใส่ผมมาเพียงเอาคุณก็เพียงว่าปรับเสียงใส่ผมแน่มาจันว่าเอ้าตายแล้วฮันนี่เถียงกันทเลอะกันทำวัดพ่ะท่านนี้จบมวนสําเถียงกันไปเถียงกันมาโยมมันเสียวยังกันแท้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ว่าจันดอกถอดผ้าสังค่าจี่วันดอกมะว่าเฮ็ดจันทดอกเฮ็ดกันที่ว่าเสียวยังได้เอากันที่ว่าจันดอกบอกแท้นี่เรื่องรู้ล้ากันตีว่าจันดอกองค์นึงก็ได้เจ ใจเย็นๆท่านปรานมาจนได้ห้องเขาก็เ บ, บวดมาแล้วข้ามมหัวมึงดูข้ามมือก็บแมนอีาละล่นว่ากีว่าเออแมนแถวอาา่านเอาคำถานไหนท่านเป็นคุณน้ามึงดูปนเดา่านก็ น, น้ำมึงคอยปรับคอยนี่เข้าไปน้ากันนี้น้ากันแกอยู่น้ากันไปฝัดมีพระองค์หนึง่งคนยุกกรแต่เราคนไป่อยู่ไกลแกอยูจ่จังหวัดเลยประธานากลับมาบ้าน กับมาบ้านนั่นรู้สึกว่าเพื่อนแม่บอกให้ฟังในเรื่องกรรมฐานทาั้งๆที่บุหูจักหรอกเรื่องกรรมฐานบุหูจัก้า <Wow. S 1> ไปเหตุกรรมฐานที่ดีทำมาทันว่าจะใครเขา้จาจะใครไปปฏิบัติธรรมน้เพ่นเอาไว้เนี้ยมีปรัสนากรรมฐานเนียวกันว่าคําว่า ม, มาีปรัสนากรรมฐานนั่นรู้สึกมันความรู้สึกตัว น, นั้นรู้สึกมันตึ๊บขันในหัวใจเลยทันว่าเออดีเลยน่าชิดประทันว่าเร uh. okay. าก็ได้ทำมาเหตุเ <laughs> พื่นเหตุยังไดนแน่ละประทัน่า เพิ่นกระเฮ็ดเดินจงกรมแน่ทำสมาธิแน่ความพอใจเดินจงกรมสมัยก่อนนั้นคิดว่าเดินจงกรมคือวงหล่อคือหล่อเกียรเท่าน่ะอ๋อเป็นวงโล่งโค้งโล่งโค้งโล่งโค้ ง, โคงสันเข้าใจอืมไปไปไปแบบนั้นแบวนไม่ได้ไ ด, ไ ด, ได้ได้สิบผาเออวันพอสิบมือสันนี้นี่ประมาณจเจ็ดอาทิตย์นึงนี่แหละก็เลยไปบอกให้พ่อไปถามพ่อไม่ออกพ่อไม่ออกก็ะทั่มดาเนอะ๋อพ่อแม่เพิ่นกะไม่อยากให้ไป ว่าบวชแล้วคนไก่อยากกะใส่บาตรอยากพกให้อยากถวายเอาของอาหารพอเพิ่นบวชลกูกไส้กะทไปให้พวกอื่นอุปธรมประถาะยานพเพิ่นตกนร ก, กันยยานยานบริข้นสวรร น, นําลูกยานบริกรไส้ผ้าเหลืองนําลูกว่าไปจังได้มอมปันว่ากะเจ้ า, จากะ บ, บวชเขากะบวชไม่อีงยงเอีงยงกะว่าทัานไดน้ำเพิ่นสวดมนต์อียงต่างๆกะว่าทัานไดน้ำเพิ่นนีน้เพิ่นไปแล้วท่อ้ายบัณไอเมืองเพิน่น่หเพิ่นาสวดปานยังจังได้ปันวา จริงๆแล้วอาตมานั่นบ่มมักเรี้ยงสวดแต่ไวเลี้ยงฉันมักอยู่เรื่องฉันนี่มักอยู่แต่ไวเรื่องสวดนีด่บ่เคยมักจักเที่ยเห็นข้าเจ้าสวดนี่ก็สวดจักว่าสวดยัดดงตัวแม่ยงังสวดไปนี่ไปก็แล้วแล้วไปนี่กับ่มักจักเถี่ยหล่ะก็บบ่เครใส่ใจเพิ่นกระ บ, บอกว่าก็เลยบอกกูนว่าวัดนี้เพิ่นบ่เครสวดได้เพิ่นเน้นนักปฏิบัติวัดน่าอันนี้จุดนึ่งคืออยากไปคือจิกันสวด การสวดมนต์กะเลยอีกไปบ้าเอะในกะจะพาไปถอวใหน้นายแม่ได้จะกันสาจะกันเถาะว่าต่าว่าใจนั้นนี่คิดอมลอ้อมอมล้อมอยู่ขแมแย่ไปจากไหนไปพ า, าพาไม่ก็ บ, บ่มีเงินบล่เงินเงินกั บ, บ่มีใส่ยืมใส่คาราส์ ม, มัยนั้นก็นรู้สึกว่ากะพอแพงดอกแต่พาพบวชไม่สมศกอยู่มาบาท่านโดนไม่ออกย่มตายเว้โชคดีขนาดเด้แม่ พ่อเกิดมาคยไต่คว่เม็นพออ่อแต่มาได้คนพ่อคนอื่นโยม ผ, ผ, ผู้อื่นก่าไต่มึงขับบ้นเียวตั้งใจไว้ในใจชิช้นในใจผู้เดียวมันจะไ า, ามันเอาเงินบางสกุลนี่เราไปค้ารถว่าท่นอกว่ากิเลยสวดมนต์ตั้งบาทสวดมนต์ตั้งมงคลสามมือสามขึ้นเขาจะอาให้สามมือสามขึ้นนี่เขาจ้าให้สิบมือละสิ บ, บาทรวมเลยสามสิบาท ดีใจหลายประสนมีเงินสาสิบาทไงแม่างเชฟประนมาดกกระไรได้บอกไม่ออกอีกไม่ออกอัตมาตัดสินใจได้ว่าจะไปอยู่เมืองเลยประธานดกอ้าเหตุจังไดตัดสินใจจังใดมีเงินขัดคถขลาละสิเลสจอางคนนี่สามสิบาทละสันกเพราะว่าถามราคารถแล้วว่าเกินยี่สิบบาทสมัยนั้นมีประนดกเลสไปอ้าวปรนไปกรไป่นตัวว่าปราวคันวาอยากไปเบิ้งประธานว่าเพื่อนกะ ดีบมันก็ให้เงินอีกมาให้อีกสามลอยอ๋องเงินค่ารถอีกสามลอยก็เลยไปพ่อไปฮอดแล้วกับวัด้พอไปวัดป่าพุริยันคืออาจารวัดสุเทปนวานั่นแหละวัดป่าพุรธิยานเมืองเลยพ่อไปแล้วกมีพระคู่พันยูหันลูกศิษย์หลพอเทียนพันยันสมันั่ลวพ่อตนดอกหลงพ่ออาจารย์สีเดนนี้ก็เป็นมะล่างไปแล้ว มาลั่งอาจารย์สีอ่าอไปเห็นเพิ่นกะ um นักค้นก็เพิ่นกะคนกับบั่งแถวเดียวกันเนาะกัคุยกันไปคุยกันมาพรมกับสนใจอยากปฏิบัติครับเหตุเรื่องกันกรรมฐ า, านพอเพิ่นยกมือจังสี่าน่ะยกมือสั่งจังหวะเท่านั้นละ่ะอีพอยอีเนี่ ย, ยจังสี่ที่ปฏิบัติทำมาเท่านั้นว่ะอันนั้นผู้ใดบอกผู้ใดสอนเห็ดจังสี่เ่านั้น กรรมฐานคนที่มาเหตหาที่แตกอย่างเี่ยกหมยกมือร์พเวอย่างเี่นกรรมฐานมันต้องนั่งซื่อๆนั่งอยู่นิน่งๆุ่นอ่ะมันจึงเป็นกรรมฐานคนนั้นคดเอาได้เนี่ยเฮ้ยโมมนต์เด้อโมเมนกรรมฐานตังซีมันตเป็นกรรมฐานออย่างไมีมิเซนทังสมาธิอะไรอย่างไรเนั่ยนี่ลืมว่าเรื่องอดีตเจาคตังเเป็นเล็กน้อยเนาะพอเพิ่นเป็นคนวัดคนว่าเพิ่นสวดมนต์ไหวพระจุดหนึ่ง พ, อ, พอนสวดมนต์ไหวาพาภาษาเด็กน่อยก็เข้าไปไก่เพลินเน้เข้าไปยืนน้ำเพลินนี่น้ำเพลินอนฟังเพลินสวดสวดมนต์สวด ธ, ธรรมคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่ะอ่ากัไปฟังฟังนําเพลินฟังไปฟั ง, ฟ ง, ฟงมานรู้สึกก็มีความอิติมีความอิม่มชอบจําได้เท่าเสมอเนี่ยตอนพ่นอ า, อาหุเนยโยทักขินยโยอัญเชลีกัลนิโยโอ้บัลละมวนน่ะป้าเพลินคือมวนแดงบัดนั่นหรอก ให้ไปฟังมาเนี่ยพอเพิ่นเพิ่นเข่าสตวดม น, นุษย์เขาไปฟังนั้นมันฟังไปฟังมานอน้นอนบ้างนังบ้างถ้ามดาภาษ า, าเด็กน้อยเนาะนั่งไปยังมากสภาพจิตของเด็กน้อยมันก็สะอาดอยู่แล้วเนาะสว่างสะอาดสว่างอยู่แล้วนี่อยแล้วพอฟังไปฟังมาจิตว่างว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างอย่างนี้เหมือนกับเข้าตกจากที่สูงอะ่ะกระโดดจากที่สูงวูบไปจุดหนึ่ง เห็นสภาพเห็นภาเห็นนิมิตเห็นนั่นเห็นนี่รู้สึกว่าโอ้ยปิติอิ่มอกอิ่มใจเห็นแล้วรู้สึกอยากเห็นอยากหูอยากยู้อยากมันมันละมวนอ่ะมันเด้อปิติอิ่มสบายสบายเห็นแล้วละปัโตเพ่อเพื่อนเป็นแบบพ่อเป็นลักษณะนั้นพราะเพื่อนทำวัดสวดมนต์หรือม่ายา้ำไหต้องไปน้ำนั่นเห็นภาพนิมิตเห็นนั่นเห็นนี่เห็นโอ้ยเห็นแล้วก็ประทับใจ ขึ้นไปขึ้นมากขึ้นไปขึ้นมากขึว่าจะขึ้นเอาเองแบบวันได้บอกให้คนฟังแบบว่าเออคือเท่ามันเป็นคนบุญมาเกิดแบ่ขุนได้บอลของคอยคอยได้คือมันคนบุญเท่าเป็นข้นบุญมาเกิดบ่ทันว่าเห็นนั่นเห็นนี่พอเปิดพอ ไ, ไ, ไปไปมาๆเหตุขักเหไปไปมาๆรู้สึกมันเกิดคึ้นหนากลัวขึ้นมากที่บ้านเนี่ยเห็นภาพนั้นรกเห็นโซเห็นนั้นรกขึ้นมาโอ้ยเสยดสยองอยะนายาญอยากหนักกลัว แม้แต่ย่างแม้แต่เผาแปบบ๊บเดี๋ยวนั้นรู้สึกเข้าไปแปบบ๊บ จ, จุดนั่นทันทีนี่ทันทีหยุดนั้นแหละทํำๆให้อาตมาบเบือ่อเบื่อในกัร น, นอยูเพ ร, ะเราะว่าอยากให้บ่มีขันเวลากันขึน้นขันเวลากันขึ้นขันที่นอนหลับไปนั่นมันเป็นภาพนิมิตเกิดขึ้นมาร้อนอยุตตลอดเป็นภาพนิมิตมาร้อนอยุตตลอดบาบา ว, ว, ว่าเข้าใจว่ากล่าวว่าโอ้พดชปั้งย่างเห็นแล้วรู้สึกทุกข์ใจนอนเนี่ยพเพาอยากนอนหาทุ่มพกทุ่มตีหนึ่งตีสอง เท็ตนั่นเท็ตนี่นนเพื่อต้องการอยากให้มันง live ่วงง่วงไปแล้วเพราะกำลังสิงเงยวหัวพับลงสิงมันภาพนั้นที่เกิดขึ้นมาโอ้ยน่าย่านน่ากลัวเป็นโอ้ยแต่แห่งค้นอยู่ตอนนั้นแหละตอนมาเสียค้นตอนเสียค้นตอนเสียค้นเป็นคนมืนไรเกิดคบมูคบพวกกินเหล่าเมายากันไปนี่กันไปสนุกสนานกันไปเพื่อต้องการให้ลืมจุดนี้แต้มพนนันยังบลืมพันนันยังบลืมนี่บลืมเพราะเพิ่งเพราะคว่าเอาละจนนั้นกันแช่นนั้นพราะกับมาบวชไาเนี่ พอครับเขมามื่บวชบวชไปยุ่น้ำพ่นแล้วจังสี่บอกก็มาฐานยกใหมย่ยกมือเพอรเวอร์พเวเห็นแล้วเขาพอเสด็จสงบเปรียบร่อยสมาธิมันต้องดังซื่อเงียๆตาพื้ๆว่างหมาดให้มันหนาดูหนายนีผุ่นเหมือนกับผู้ยเจ้าเห็นพวกปานเกิดพร้อมพ่นยังไงเบืองเจนหนึ่งกถ่าพวกปานเห็นพ่นเป็นด้วยความนิสัย ก็อยากทดลองอยากหูอยากเห็นแต่ปนั่นก็มีทิฏฐิเพิ่นกะบอกว่าเพิ่นเคล็ดให้เบิงเค็ดเป็นบะเนี่ยมาเต็มวะมันก็สิพ่อเปลี่ยนอยู่วะอาจารย์มาเต็มวะเห็นสมีหนึ่งแม่เท่าไรครับไปก็ไปนั่งทำสมาธิอยู่คือเก่ามันกะเข่าเก่าออกไปเห็นภาพนิมิตเห็นเนี้กระเบือน้ายย่คพ่อะนันอ่ากุฏิก็ห่างๆพ่อไปพ่อมาช่วงระยะหนึงคิดว่าสิบไปละคิดว่าสินี้ละมาอยู่ละ คิดตัวหนึ่งมันก็เลยความคิดหลุดแบบหนึ่งไอ้ตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาบ้าบะางใส่เข้ากรบอกทั้งบานมาแล้วว่าเข้าสีมาปฏิบัติธรรมมาถึ้งว่าใส่เข้าก็บอกแล้วว่าเข้าสีมาปฏิบัติธรรมเข้ากลับไปแล้วเข้าสีบัวอายเขย้าวว่าเออแมีนแล้วเนาะว่าทั้งว่ามันตอบกันได้เนี่ยมันคุยกันตอบกันมันต่อไปก็เลยเอาอยู่กับยู่ทั้งว่าลองปฏิบัติลองบัง ก่อนสิปฏิบัตินั่นกุฏิเพิ่นเกิเป็นซวอเซเดมใหม่หูฝ า, ากระโลงมาแ่มเนาะฝากระลงที่เขาจะเอาลงเอาคนมเาเผาแล้วเขาเจบะเอาฝ า, า, า, าปิดเอาฝาปิดเ่าเผานี่กับสวอสเซเดมห้างแยกกกระดาษก็ดำปื๊ดปื๊ดปี้ปีอยู่ไรอันไล่ยอยู่พัดยานคนไมาเห็นเล้อัตมาเป็นคนฉี่าย ก็เลยหากระดาษกระดาษทิชชูเนาะปี๊ดไปเข่าไไบใบข้าไไงในปิดบึงข้างในเข่าใบข้างในมุนได้ปิดซองพอซีบี ส, บ, สบายกับปี๊ดใบหยันคนไม่จอบเบึงหยันพระหมูเดียวไมาจอบบึงปิดไว้ในวบเรียบร้อยแล้วมาบบนัน่งสั่งจังหวะมันเนี่ยมึงก็หน้าเห็ุมึงก็หน้ามาเัินละยกมือผิดมือิีนคว่ำมือโลง่งยกมือเอาเขา่าเอามือม า, ม, อ ม, ามีความรู้สึกผู้เมือง เฮ็ดว่าท่านโดนไหนหม่อความรู้สึกแต่เก่าแต่ก่อนนั่นเข้าเฮ็ดสมาธินั่นแต่ก่อนนั่นรือสึกว่าเข้าตามความชิดแต่พอเข้ามาเฮ็ดอยู่นี่เข้าเฮ็ดหูในปัจจุบันเขานั่งทำสมาธิแต่ก่อนนั่นพอควา ม, ช, มชิดมันชิดอย่างปุ๊บไปเ ข, ไข้าไหลเขาไหลไปตามตนั้นเบิงมันครูอาจารย์ก็ บ, บอกให้เบิ้งเบิงตามมันเบิงิเบิงเ บ, บิงกยังหรือีรดงเพิ่นบอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนันกเห็นสวรรค์ให้ตามมันไปเบิ้งสวรรค์ตอนนั่นตอนนี้ แต่อันนี้บ่ลแมนพอเข้าเคลื่อนไหวปุ๊บสติของเขารับรู้ปั๊บทันทีความชิดปุงแทงที่มันออกไปแวบออกไปนั้นมันมาหยุดอยู่กับปัจจุบันในขณะก็ได้เกิดขึน้นนะว่าโอ้ยุดนี่นี่เองที่เขาต้องการนี่อัตมาเขอัตมาตมลักษณะนี้จุดหมองนี้ที่เขาต้องการยุดต้องการยุดความชิดตัวนั้นยุดการที่เป็นภาพเป็นนมิติเห็นเห็นอย่งต่างๆตัว น, นั้นจุดตัว น, นั้นต่งางหาก พอไม่เห็ดเข้าไปก็ามามีความผู้ศึกชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้ น, นอ้าวสมาธิแบบนี้มันก็มีตัวนี่มาทัน้นเออหักเหตุทันลระบาด น, นี้่มับนบันี้ว่าสันต์เรอดมองมอ ง, มองแมนแล้วจากนั้นเข้าใจมีความมั่นใจว่าแมนแมนผลทางที่เขาต้องการแล้วถูกต้องแล้วผลทางที่เขาต้องการที่เขาสแสวงาหาก็เลยเหตดเหตุไง้วบาด ยกมือขึ้นเอามือลงมีความหูสึกหู ม, มือเผอบางนี่บางกระซังมันกลับมาใหม่จับความหูสึกหู ม, มือของเขาอ่าพัดไปอยู่กับความหูสึกหู ม, มือแม้แต่เข่าของน้ำของสวมเพชรยันทํา่ยังธ์งอาบนา้าอาบในีอ่อาบนา้ำอาบนี้รู้สึกว่ามันเกิดเกิดเอารู้สึกว่ามีความหักมีความหักในนาทีมีความหักในความรู้สึกนั้นพักขับพยัมปักขับประข้องอยู่ตลอด ที่ชั้นเข่าบินทบาทเฮ็ดยังทำอย่างนั้นรู้สึกไปใส่มาใส่รู้สึกมีความพอมมีความตื่นตนตื่นตัวระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับลูกเขยลูกเขยใหม่กับสะพายใหม่ไปเนย่า้วพอเถ่าแม่เถ่าเฮ็ดยังยันได้ถือย่ันยันได้ว่าถือใจแม่เถ่าพอเถ่าคอยระวัดระวังตัวอยู่พ่อันนั่นแต่สมัยนี้ลูกเขยไม่ลูกสะพายใหม่นั้นก็คือกะนี้แหละบางที่มันจีค่อยแม่เถ่าพอเถ่ากว่นเนาะเพราะฉะนั้นความหักตัวนี้หรือสิกว่ามันเกิดขึ้นมา เหตุอย่างนี้หรืบทแตกต่างๆนั่นเราสูตมีความรู้สึกคุ้มืหอพยัาชนะขับคล้ความรู้สึกคุ้มของเขาอยู่ตลอดเหตุทำเฮตุเอาอีิรินี่แม้แต่นั่งชันเข่ามันบ่คือเกาละบันการเปลี่ยนแปลงท่านจิตใจมันเกิดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาในขึ้นมาโอ้แต่กี่แต่ก่อนนั่นรู้สึกว่าเฮาพอเข่าทําสมาธิกระปับนรู้สึกจิตมันสีแวบพอแวบเป็นภาพเป็นนิมิตเกิดขึ้นมาเรียกว่ามานยาของมายาจิตที่มัน พุทขึ้นมาเขาเห็นเขาว่ไหลไปตามกับมันเมื่อไรลตามกับมันก็สามารถมีมีอนุภาพมีการปรุงแต่งจิตของเขาไปตลอดเขากระสังเป็นนิมิตจิตไปชิดเป็นนั่นจิตเป็นเหมือนกับเขาเบิ้งขีฝาแค่เห็นขีฝาขีฝาขีเมกกรอนเมกเบิ้งกรอนนั่นตีเป็นเหมือนกัะรูปบล่างข้างชิงเป็นอย่งนั่นชิตเหมือนกับมาเมื่อกี้เพชรอย่างนี้ตีไปนี่ไปไรไปนี่ไปจิตสภาพจิตของเขาคือกันในขณะที่มันเกิดขึ้นเป็นลักษณะนั้นปุ๊บขึ้นมาเนี่ขึ้นมาเขาเราไปปรุงไปแต่งกับมันก็ว่าสังขารปรุงแตต่งออยูลด สังเรื่องเรลยว่าเป็นมโนภาพเกคือแม้แค่ในจิตของเขาอยู่ตลอดมันเลยมองไม่เห็นตัวสภาพจิตของเขาตัวจริงแล้วไปเห็นแต่ภาพเป็นนิมิตเห็นเสียงกูบาอาจารย์ก็เลยบอกว่าภาพนิมิตนั่นเห็นนั้นเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นนั้นบเม็นของจริงผู้ธิสวายจังได้กรตามนีก็ตามสิ่งที่เห็นนั่นเป็นของจริงพุทธเจเห็นพุทธเจ้าเห็นนั้นโลกเห็นสวรรค์อันนั้นเห็นจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเม็นของจริงพอสามารถทีธิมาแก่ทุกจะของใดตัวพี่ตั้งห่า ยิ่งเหตุยิ่งมีความชำนาญสภาพจิตความรู้สึกของเขามีความรู้สึกคุมเมืองแม้ยังเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บมียังเกิดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บเคลื่อนไหวอีริบบนใดกับริบตาหายใจอปากแม้แต่เวลาหลับเวลานอนนอนห้าสิทิคขืนพิกล่องพิกความพิกงาดเอียงหล่าเอียงขอให้แต่มีความรู้สึกความหรู้สึกของเขารู้สึกประคับประคองมิเกิดด้วยความหักขนาดหักความรู้สึกของเขาตัวนี้ประคับประคองดีดีเหมือนกับเขาประคับประคองสิ่งของที่เขาเอ่ย พักเข้าหงเขาเห็นน่ะเห็นแล้วรู้สึกว่าพออยากให้มันตกมันแตกพออยากให้มันลดมันล่นมันหายนีมันหายเห็นแล้วปะโอ้ปันนี่ตัวไอ้ความหูสึกหูเมื่อก็เลยมาคิดว่าเป็นอย่างคนจังโบรมาเบิงคนเป็นอย่างจังโบรมาสอนกันจุดนี้ไอ้สอนหาสิแตกเยี่ยนั่งแตะไอ้เรื่องขอบุญให้ท่านรักษาสินเจ้าท่านศีลท่านห า, ายได้เป็นเทวายุสันฟ้าย่อนย้อนปวดอะมองสิตายไวๆพระเสด็กุศลาได้ดู เป็นอยังสภาพจิตตัวนี้เพียงจากโมกเบิงแล้วก็สําคัญบอกว่าการกระทําจุดจุดนี้ทําท่ำมองนี้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความจริงจริงนี่จริงๆของเขาจริงๆเป็นสมบัติของเขาจริงๆความรู้ตัวนี้เป็นความรู้ของเขาจริงว่าได้ยิ้ยว่ได้จํามาจากผู้ได้มันเกิดขึ้นมาจากตัวของเขาเองทุกคนมีทุกคนมีทุกคนเป็นทุกคนเห็นทุกคนเป็นทุกขณะตัวเนี้ย พอมาเบงเพิ่นก็บอกให้เบงเบงลูกเบงน้ำหูจะลูกเบงลูกเบงน้ำอันใดเป็นลูกานานอันใดเป็นน้ำพราะเข้าใจเรื่องมือนี่แล้วก็กเออพิกมือสืความมือโล่งเป็นทั้งลูกเป็นทั้งน้ำเพิ่นว่าได้บอกว่าอันนี้ยกฝ้ามือเลยเป็นูเออูสิกเเป็นน้ำเลยเพิ่นว่าได้บอกไอซมือดีบอกใมด่อเซ็ซับเหมือนกับโจ์เหล็กเออโจทเห็เนีได้ทำเหล็กทำเนียร์โจดซับเซ็ตซัเรียบร้อยมีคตอบใเรียบร้อยเขียนไปส่งคู่คูบอกกาน้ถูกต้องไปเมด่ซมือ ย่อมผู้จะ ร, รู้จากนั้นป๋อจับมือคื้นนี่รู้ไปนี่ผู้สึกมือเมื่อนั้นเป็นนัอันนั้นแมนแต่ว่ามันยังพระท่านใจเนี่ยมันยังพรท่านเรีนรับแต่ขณะใดที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกระเฮ้าเกิดขึ้นมาภายในใจของเขาเป็นสมบัติของเขาแล้วรู้สึกเป็นความหวงแหนเป็นความหัดเป็นความหวงแหนเป็นสมบัติของเขาริ่งรู้สึกว่า อ, อันนั้นเรียกว่าสัญญาจําแต่มันก็ดีอยู่ลักษพะนั้นจำได้จําได้ดีนี่ได้ดีเพราะฉะนั้นว่า อารมณ์สิงมโนอารมณ์เรื่องรูปเรื่องน้ำเรื่องอรูปทำน้ำทำรูปโลกน้ำโลกโลทุกครั้งอันนี้จังนัตตาตัวนี้มันเป็นพื้นฐานชนิดหนึ่งที่จะทําให้เข้าเข้าใจในวัตถุต่างๆสิ่งของต่า ง, งๆที่เข้าสิ่งเกี่ยวของกับสิ่งเหล่านั้นว่าให้เข้าไปยิดติดว่าให้เข้าไปพัวพันกับมันว่าเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นทุกข์กับสิ่งสมบุติต่างๆนี่แต่เข้าต้องการต้องขลุ่ยสมบุติอยู่เพื่อก่าเป็นอยู่ลักษณะนั้นอาตมาเคยเรียกว่าอารมณ์เรื่องอารมณ์ของร เปรียบเสมือนมันว่าเหมือนกระโค้งสั่งบ้านส่องงเฮือนเท่าเนี่ยยังบ่กท่านในมุงมันยังบ่กท่านในมีฝาปิดฝาบางังแดดออกฝนตกลมมาห่อนหนาวเปียกเมื่อ